ที่สถาบันพัฒนาการราชการฝ่ายประวัติศาสตรสารยุติธรรมจะพูดถึงจิตที่ปรุงแต่งหรือจิตเห็นจิตที่หลวงปู่ดูลย์นัตโสได้กล่าวว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลเ่งจิตส่งออกแต่ละครั้งเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลห่งจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ ก็ปฏิบัติกันอยู่ในแนวนี้นินจจิตส่งออกเนี่ยเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งเป็นสาระสําคัญที่ท่านจะต้องเห็นเพราะว่าถ้าท่านไม่เห็นจิตเห็นจิตซึ่งเป็นมรรคคือการปฏิบัติให้ถึงขึ้นความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ท่านก็จะปฏิบัติไม่ได้เพราะท่านไม่เห็นจิตทรงออกนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเห็นจิตส่งออกนี้ จิตส่งออกเมื่อเราไม่รู้จิตส่งออกเราก็จิตส่งออกไปเรื่อยๆหรือส่งจิตออกไปข้างนอกหรือจิตส่งออกนอกไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะพ้นจาทุกข์ไม่ได้เราเกิดใหม่ก็วนเรียนเป็นทุกข์อยู่นี้ตลอดเวลาความว่าจิตส่งออกก็คือว่าจิตส่งออกไปสนใจให้ค่ายวาความสาคัญพอไปชอบไปคึ้นพอใจจิตใจยินดีเพลินใ จ, จติดไปกับสิ่งอื่นใดต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่อยู่ภายนอกร่างกายเรา ในขณะจิตแต่ละขณะจิตที่เราส่งออกไปแต่ละครั้งเรียกว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมูทชัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในการส่งจิตออกแต่ละครั้งมันเป็นทุกข์เอาไปเกาะเกี่ยวยึดถือเป็นความไม่สิ้นทุกข์เราเห็นจิตขณะที่ส่งออกไปข้างนอกปรุงแต่งไปเกาะเกี่ยวยึดถือมีความเพลินใจออกไปหาสิ่งใดทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราเห็นจิตที่ส่งออกไปเห็นจกร่างจิตที่ส่งออกไปนั้นดับไป เมื่อจิตที่ส่งออกไปเป็นจิตที่ปูงแต่งก็เกี่ยวยึดถือพัวพันดับไปสิ่งแดที่อยู่ในภายนอกนั้นก็หมดอิทธิพลต่อใจวิธีการฝึกที่เราจะฝึกอย่างไรเห็นจิตเห็นจิตก็คือว่าวิธีการง่ายๆก็คือฝึกขัดใจตนเองฝึกขัดใจตนเองอย่างกรณีคุยกับคุณนรินคุยกับหลายคนอยู่ข้างนอก กรณีที่มีการเปิดโทรทัศน์เรื่องแดดจมกึมอยู่เมื่อกี้นี้หลายคนเคยได้ดูบางคนไม่อยากดูบางคนก็ดูแตเ่เนื่องจากว่าโทรทัศน์นั้นอยู่ในห้องโถงและเป็นเป็นจอใหญ่มันก็จะรบกวนจิตใจของคนจํานวนมากแต่คนที่อยากดูก็ไม่รู้สึกว่ามันรบกวนจิตใจเพราะเข้าไปดู แต่การที่เข้าไปดูก็จะไม่เห็นจิตส่งออกเพราะว่าได้เข้าไปดูได้เข้าไปเสพได้เข้าไปเสวยสิ่งนั้นก็จะไม่เห็นจิตส่งออกเพราะว่าได้สนใจนึกได้สนใจอยากก็จะไม่เห็นจิตส่งออกอยู่ล่ําไปก็คือว่าไปจบที่ความอยากจบที่ใจอยากคือจบที่กิเลสกันหาคือได้สนใจอยากได้เสพได้เสพคือได้ดูได้ดูส่นี้พอได้ดูเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นจิตส่งออกเพราะว่ากรณีอื่นๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปก็จะไม่เห็นจิตส่งออกเพราะว่าได้เสพทุกครั้ง แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปว่าคนที่ดูนะแต่หมายถึงว่าเรามาฝึกจิตเราจะได้เห็นจิตที่ส่งออกเราก็จะไปใช้กับกรณีอื่นๆด้วยเราก็เอากรณีเคสอย่างนี้ยมาใช้ฝึกจิตมาสอนจิตพวกเราก็คือว่าเมื่อโทรทัศน์เปิดอยู่ถ้าเราไม่ดูเอถ้าเราไปดูเขาไปดูเสร็จแล้วไปดูเปิดเาเปิดพวกเราเราก็ไปดูอย่างนี้มันก็คือก็เสพไปแล้วก็เสพแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้น พอเสรไปแล้วได้สบูยไปแล้วคือได้ไปดูแล้วมันก็จะไม่เห็นจิตส่งออกตอนนี้ถ้าเราจะฝึกให้เห็นจิตส่งออกเกิดความปนทุกข์คือจิตเห็นจิตเราก็ไม่ไปดูแต่ไม่ไปดูนะเราก็ไม่หนีอีกด้วยคือไม่หนีก็ไม่หนีไปที่ที่ไม่มีโทรทัศน์นั้นไม่หนีมาเข้าห้องนี้ไม่หนีหลบไปอยู่ด้านหลังโทรทัศน์เราก็ยืนอยู่หน้าโทรทัศน์เนี่ยแล้วเราก็ไม่หนีไปไหน แต่เราเห็นใจเราเนี่ยที่มันดิ้นรนที่มันปรุงแต่งที่มันคิดอยากจะดูเรื่องละครเรื่องแดจันเกิรมที่เขากําลัางเปิดอยู่เพราะมันจอใหญ่เราก็จะเห็นจิตเราที่มันดิ้นรนอยากจะดูเราก็อยากจะดูมันก็เราก็จะไปดูอมันก็เมื่อเราไม่ดูจิตมันก็ดิ้นรนที่อยากจะไปดูอยากไปดูเมื่อเราไม่ได้ดูเมื่อเราไม่ไม่ได้ดูมันก็เริ่มหงุดหงิด งุดหงิดคนที่เปิดโทรทัศน์เพราะว่าจะมาฝึกจิตแล้วก็เปิดโทรทัศน์บางคนก็เริ่มงุดหงิดจิตใจก็งุดหงิดคนที่เปิดโทรทัศน์ก็จะนั่งสมาธิทำความสงบใจก็หงุดหงิดเสียงโทรทัศน์แต่บางคนก็ไม่งุดหงิดแต่ดิ้นหลนอยากจะเข้าไปดูแต่ก็ห้ามใจไม่ได้ดูจะเหมือนการหมดจิตที่งุดหงิดหรือจิตที่ดิ้นหลอนอยากจะเข้าไปดูก็ดูจิตตัวเองไม่หนีไม่กดไม่ข่มไม่บังคับคือไม่บังคับคือไม่พยายามกดจิตนั้นให้มันไม่คิด ไม่ปุงแต่งเราก็ดูรู้เห็นจิตเราอยู่อย่างนั้นจิตที่อยากจะไปดูพอไม่ได้ดูชักเริ่มงุดหงิดชักเริ่มมีอารมณ์ต่อเสียงโทรทัศน์ต่อภาพในโทรทัศน์ที่เปิดอยู่เราก็อดทนดูอยู่อย่างนั้นในความอดทนดูจิตของเราที่ <c oughs> มันเริ่มมีปัญหาต่อต่อโทรทัศน์ที่ก็เปิดนั้นคือมีปัญหาทั้งที่อยากเข้าไปดูและมีปัญหาท <c oughs> ั้งเริ่มงุดหงิดกับเสียงโทรทัศน์ที่เปิด เราก็ดูดูดูไปไม่พยายามที่ทําให้ใจที่งุ่นงิ่นมันหายไปหรือใจที่มันพงที่อยากเข้าไปดูไม่พยายามทำให้มันหายไปดูไปดูไปเพื่อเราจะจิตเห็นจิตเราจะฝึกจิตเห็นจิตถ้าเราไปกดข่มมาคับทาให้มันหายไปเราก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะจิตเห็นจิตมันเป็นมารคือทางให้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเราก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นจิตเราที่มันอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปดูเห็นๆๆๆไป เห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเราก็ดูไปดูไปถ้าเราทนไม่ไหวเราก็พุทโธไว้พุทโธพุทโธแล้วก็ดูดูจิตที่มันเริ่มหงุดหงิดเริ่มรำคาญเริ่มมีปัญหาเริ่มอยากเข้าไปดูอะไรมันก็ปรุงอยู่ในผสมอยู่ในนั้นน่ะมันไม่ได้ดูสักทีแต่ว่าอยากจะดูเราก็เห็นอยู่นะล้วก็พุทโธไว้ถ้าคนที่คนที่สามารถที่จะฝืนใจดูอยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องพุทโธเราก็ดูดูจิตอย่างที่ปรงแต่งอยู่นั้นดูไปดูไปดูไปจนกระทั่งจิตที่ปรงแต่งนั้นค่อยๆ เขาบดขอเขาไปเองนะไม่ใช่เราไปกดไปกดมันค่อยๆอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจิตที่ปรุงก็เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเครื่องปรุงที่อยากไปดูแล้วปรุงที่เราหุ่นหงิดลาคาญก็ค่อยๆน้อยลงน้อลงน้อลงน้่ยลงเจ้ากั้นจิตที่ปรุงนั้นน่ะค่อยๆดับหายไปต่อหน้าต่อตาต่อใจเราดับไปต่อใจเมื่อจิตที่ปรุงแต่งนั้นดับไปพอลทัศน์ที่เปิดอยู่นั้น่ะแม่ละครแย่จำเป็นนั้นจะเปิดอยู่อย่างนั้น พลรัฐะเปิดอยู่น like ั้นแต่ไม่มีความหมายต่อใจเขาก็เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปิดอยู่อย่างนั้นเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีปัญหาต่อใจอีกต่อไปคือไม่มีที่ผลต่อใจว่าจะอยากดูหรืออยากจะหนีเปิดก็เปิดไปแต่สิ่งนั้นก็มีอยู่ต่อเป่าตามธรรมชาติของเขามีอยู่ตามปกติธรรมชาติแต่ไม่มีที่ผลต่อใจไม่มีความหมายอะไรต่อใจต่อไปอีกเลยเพราะจิตที่ปรงแต่งเกี่ยวกับละครเริ่มนั้นหมดสิ้นไปแล้ว เมื Source, setup, ada, <lad> suspense, ่อที่ที่ปรุงแต่งดับไปละครก็ยังเปิดอยู่แต่ไม่มีความหมายไม่มีทพผลไม่มีความหมายอะไรต่อใจก็อยู่กันไปอย่างนั้นก็ยืนอยู่ต่อหน้าโทรทัศน์นั้นโทรทัศน์ก็เปิดอยู่แต่ใจเราละครเราโทรทัศน์เรื่องนั้นก็ไม่มีความหมายไม่มีที่ผลต่อใจก็รับรู้อยู่ต่อเปล่ารับรู้อยู่เฉยจับแต่ว่ารับรู้ไม่ใช่ว่าทําใจจับแต่ว่ารับรู้ คือเห um kind of like so ็น so, จิตที the, amas, together, ่ปรุงแต่งมันดับไปโทรศัพ์เปิดอยู่แต่ไม่มีความหมายต่อใจเห็นอย่างนั้นว่าจิตที่ปรุงแต่งมันดับไปโทรศัพท์ที่เปิดอยู่ก็ไม่มีความหมายต่อใจถ้าท่านตุนอย่างนี้โดยไม่กลัวไม่หลีกไม่หนีไปพยายามไปบังคับเขาท่านก็ฝึกจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตเพราะจิตเห็นจิตมันเป็นมัจคือการปฏิบัติถึงซึ่งความหับทุกข์ท่านอย่าหนีอย่ากดอย่าข่มอย่าบังคับแล้วก็อย่าตามใจตามใจคือเข้าไปดู หลีกนี้ก็คือท่านหนีไปอยู่ในห้องเงียบๆไปนั่งสมาธิดอกตากดผมบังคับคือพอมันเกิดความคิดปรุงขึ้นมาท่านก็พยายามกดขมบีบบังคับไม่ให้เกิดความคิดปรุงเกี่ยวกับเรื่องประครใดจำตืขึ้นมามันก็จะไปกดขมบังคับท่านก็จะไม่เห็นความจริงของจิตที่มันดับหายไปต่อหน้าต่อตามันจะปรุงมานานเท่าไหร่ถ้ากันอดทนดูนไปอดทนโูนไปพอท่านอดทนดูไม่ได้ท่านก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ดูรู้่ยเห็นไปจ้กระทัง ที่ที่ปรุงแต่งมดไปละครใด จ, จงส่วนนั้นก็บดไปนี่เราเอาความจริงเรื่องนี้มาสอนกันแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ท่านเปิดดูแต่เพื่อต้องการให้ท่านขัดใจตนเองว่าท่านนักหาปัจจุบันเนี่ยท่านจะขัดใจทางด้านไหนขัดใจทางตาคือละครโทรทัศน์ขัดใจ ท, ง, ใจทงเสียงก็คือเรามาปฏิบัติทำกันในชมรมของเรามีเด็กเยอะ มีเด็กเยอะผู้มาปฏิบัติใหม่ๆยังมุ่งิดมากเลยล้ำคาญเสียงเด็กวุ่นวายกับเด็กมากแล้วก็จะเอาใจไปยุ่วุ่นวายกับเด็กอยู่ตลอดเวลาล้ำคาญเสียงเด็กมากอเมื่อล้ำคานเสียงเด็กเราตามใจคือเราเข้าไปดูเด็กนี่คือตามใจพราะเราล้ำคานเรามุ่งมิดเสียงเด็กมากเราก็ตามใจตามใจคือเขาไปดูเด็กถ้าเราเข้าไปดูเด็กเด็กเงียบแต่เราไม่ได้อะไร เ, เ, เ, เ, นนเพราะเราไม่ได้จิตเห็นจิตเราไม่ได้ปฏิบัติในมัดไม่เกิดผลเป็นนิโรธเพราะเราไปดูเด็กเด็กเงียบแต่เราไม่ได้ฝึกจิตเห็นจิตนี่นคือตามใจคือก็ไปดูเด็กหนีหนีคือห้องนี้ที่นี่มันเงียบที่นี่เด็กเยอะเสียงนกหูขึ้นห้องดีกว่าหนีหนีขึ้นห้องทําสมาธิหรือเข้าอยู่ในห้องนี้เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงเด็กหนีนี่ อย่างเมื่อกี้คุณพักไปปิดประตูแล้วเสียงเด็กร้องเข้ามาเดี๋ยวเนี้ยคือเราเรื่อย่างงี้หนีหนีเราเรากเห็นจิตเล่นจิตที่มีปัญหาต่อเสียงเด็กนั้นเราทั้งไม่ตามใจทั้งไม่หนีและทั้งไม่กดข่มบังครับคือใจเรามีปัญหาต่อเสียงเด็กเราก็พยายามไปกดข่มไอ้จิตนั่นแนะ่ะมันไม่มีปัญหาให้มันดับไปเร็วๆถ้าเราไปกดข่มบังคับแบบนี้เราก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงมันว่ามันค่อยๆหมดจางหายไปแล้วหมดที่มันไปสนใจเรา เราทั้งไม่หนีทั้งไม่ตามใจเข้าไปดูเด็กแล้วก็ทั้งไม่ไม่หนีก็อยู่ในห้องเงียบๆไปนั่งคอมวเตอร์ที่หลับตาปิดกัน้นไม่ไม่เล่าควแล้วทั้งไม่กดข่มบังคับเพื่อไม่ให้จี่มันปรงแต่งเกี่ยวกับเรื่องเสียงเด็กขึ้นมาเราก็อดทนดูใจเรา ท, เที่มันงดงิดและปรงแต่งทีบลำการเสียงเด็กเล่นการร้องกัน เราก็ดูดูใจเราไปเรื่อยๆดูใจเราไปเรื่อยๆดูไปดูไปดูไปดูไปเรื่อยๆทั้งไม่ตามใจก็ไปดูเด็กทั้งไม่หลีกหนีไปหาห้องเงียบๆทั้งไม่กดข่มบังคับดูรู้เห็นตามความเป็นจริงของใจในขณะนั้นดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูทนดูรู้เห็นอยู่เฉยไม่ได้เราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธช่วยไว้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆใจหนึ่งก็พุทโธเป็นหลักไว้เพื่อไม่ให้เขาไปกดข่มบังคับเพื่อไม่ให้เขาไปตามใจเพื่อไม่ให้หลีกหนี แต่คนไหนที่สามารถที่จะอดทนดูรู้เห็นตามความเป็นจริงได้แล้วก็ดูดู ด, ดูดูไปดูไปจนใจที่มันมีปัญหาต่อเสียงเด็กนั้นเนะ่ะหมดไปจนจิตหรือใจเนี่ยที่มีปัญหาที่มันปรงแต่งหมดหงิดลำคาญริ้นลนผักใสอยากจะหนีไปออกไปอยากจะเข้าไปจัด ก, การเด็กหมดสิน้นไปจากใจจิตนั้นที่ปรงแต่งนั้นดับไปเด็ก จะวิ่งเล่นจะมีมากมายเตียงใดก็ไม่มีความหมายต่อใจไม่มีทิพย์ผลต่อใจเด็กเขก็เพียนแต่เล่นของเข้าไปแต่เราสิงเหล่านั้เสียงเด็กเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นไม่มีทิพย์ผลต่อใจไม่มีความหมายต่อใจต่อไปนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้สับแต่ว่ารู้ตรงนี้มาถึงตรงนี้คือรู้สับแต่ว่ารู้เป็นผลและเป็นผลที่เกิดขึ้นมารู้สับแต่ว่ารู้ได้คือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหมดทิพย์ผลต่อใจนี่ เมื่อกี้ทางตาแล้วก็มาทางหูต่อไปทั้งอื่นก็เหมือนกันทั้งจมูกกลิ่นที่มากระทบจมูกถ้ากินหอมก็อยากเข้าไปดมกินเหม็นก็อยากจะหลีกหนีออกไปเราทั้งไม่ไม่ตามใจคือเข้าไปดมถ้ากินเหม็นก็ไม่ตามใจคือหลีกหนีออกไปจับโยนทิ้งไปแล้วก็ดูจิตเราจิตเราที่มีปัญหาต่อกลิ่นนั้น ที่มันดิ้นรนที่มันหงวดหงิดไปรำทานกิตนนั้นที่นลรนผักใสมีปัญหาต่อกิตนนั้นเราทั้งไม่หนีทั้งไม่ตามใจทั้งไม่กดข่มครับดูดูไปถ้าเราดูทนดูไม่ไหวเราก็พุโทโธช่วยเราก็ดูไปดูไปพุโทโธพุโทโธจนจิตที่ปรุงแต่งเกี่ยวกับจิต น, นั้นหมดการปรุงแต่งไปดับไปกิตนนั้นแม้จะมีอยู่ก็มไม่มีความหมายต่อใจเขาก็ยังเหม็นอยู่ก็ยังหอมอยู่ตามปกติแต่ไม่มีความหมายต่ยอใจจะแล้วจะมีอยู่ก็มีอยู่ธรรมดาของเขาอย่างนั้นไป ทางรถนี่คนไหนที่ไม่เห็นจิตเสียจีบอกฝึกมานานไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดปุงแต่เรื่องการชอบกินนี่ดีมากเลยตรงนี้เลยในการตึกคือชอบกินอะไรชอบกินอะไรแล้วพอไปดูสิ่งนั้นต่อหน้าต่อตาแล้วอยากกินอยากซื้ อ, อยากกินอย่าหยิบกินมันชอบมาก ของอร่อยตรงนี้ชอบมากเลยดูมันอยู่นั่นแหละไม่หนีไม่หนีแต่ก็ไม่ไปซื้อกินทั้งไม่หนีไม่อยากอย่ามองมองเนี่ยต้องกินก็อยันหนีแล้วก็ทั้งไม่ไปซื้อกินถ้าไปหยิบใส่ปากปุ๊บมันก็หมดแล้วไม่เห็นจิตพรุงแตงเพราะมันไปจบที่ตามใจมันเป็นกิเลสทุกครั้งไปก็ไม่เห็นจิตอีกไม่ได้ฝึกจิตเลยอย่างนี้เมื่อไม่ไม่ได้กินแล้วเพียงก็ปรุงอยู่นั่นแหละอยากกินอยากกินอยากกินอยู่นั่นแหละ อยากกินก็ไม่ให้กินอยากกินก็อยากกินก็ดูดูดูดูดูดูจิตตัวเองว่ามันอยากกินดิ้นรนผัดไสมันกินอยากกินอยากกินอยากกินอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ให้มันกินถ้าให้านกินพุกตามายตามใจสันติไปจบที่กี่เลยถ้าเราหนีไปไม่มองเดินทางออกไปจะได้ไม่เห็นไม่เห็นจะได้ไม่กินอย่างนี้ก็เรียกว่าหนีหลีกหนีใช่ก็ไม่เห็นความจริงของจิตท่านจะดูจิตของท่านแล้วถ้าอยากอยากินอยากื้อกินจน จิตท so so so ี่มันปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยากกินนั้นค่อยๆหมดอิทธิพลต่อใจค่อยๆดับไปค่อยๆจางหายไปจางหายไปจางหายไปจนความคิดปุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยากกินนั้นดับหายไปต่อหน้าต่อตาไม่ใช่ไปกดให้มันดับนะมันหายไปมันเองจางหายไปมันเองไม่ใช่ว่าบอกแบบนี้แล้วบอกว่าเห็นมันดับก็เฉยมันกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ดูไปอย่างนั้นแน่ไม่ใช่ว่ามันดับดับวันสองวันไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้ต้องดับไม่ใช่วินาทีนี้ต้องดับ มันกี่วันจะดับก็ปล่อยมันเพราะเราต้องการจะฝึกจิตนี่เราต้องการให้จิตเห็นจิตเราไม่ฝึกจิตแล้วเราจะฝึอะไรเราก็ต้องฝึกจิตเพราะจิตเห็นจิตเป็นมาผลในจิตเห็นจิตเป็นในิโรธเพราะนั้นมันจะดับไปต่อกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ดูทนดูมันอย่างนั้นเราก็จะทนจับทุกได้เมื่อความคิดพรุงแต่งเกี่ยวกับของที่อยากกินนั้นมันดับไปของของนั้นที่อยากกินนั้นของอร่อยแพงใดก็หมดอิทธิพลต่อใจ ถึงจะมีอยู่แต่ไม่มีความหมายต่อใจอีกต่อไปเพราะจิตทีต่ปรุงแต่งดับแล้วนี่ทางตาทางหูทาง จ, าจามูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเหมือนกันมันอยากจะเข้าไปสัมผัสอะไรแล้วก็อยากสัมผัสแล้วจิตมันก็จะคิดปรุงแต่งอยู่แล้วเนะี่ยอยาสัมผัสเพราะจิตมันกำลังคิดปรุงแต่งอยู่นั้นเราก็อย่าตามใจแล้วก็ไม่หลีกหนีดูจนกระทั่งจิตที่ปรุงแต่งที่อยากจะเข้าไปสัมผัสอยากจะหลีกหนีไปหรือไม่กดข่มครับดูจนจิตที่อยากสัมผัสนั้นมันดับไปไปต่อหต้าตา จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ดูดไปดูดไปจนกระทั่งจิที่ตกแต่งเหล่านั้นดับไปสิ่งที่อยากัำผัดก็หมดกิจสุดบนต่อใจทางใจก็เหมือนกันมันมีอาการทางกายหรืออาการทางใจอะไรเกิดขึ้นมาก็จะเหมือนกันตรงตรงทางใจเนี่ยพระสงฆ์หล่าก็จะเข้าใจผิดนะตรงทางทางใจนี่มันมีอาการทางกายมีอาการทางใจขึ้นใดๆขึ้นมามันก็เหมือนกับว่า ลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางใจเขาเรียกว่าสิ่งทีษษษ่สัมผัสทางใจเขาเรียกว่าธรรมารมมันมีธรรมารมที่ถูกใจกับไม่ถูกใจก็เหมือนกับกับลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนกันธรรมารมเนี่ยมันย่อมมีอยู่ในใจเราอาการทางกายอาการทางใจต่างๆที่เราสัมผัสได้เนี่ยทางใจเนี่ยมันย่อมมีอยู่มีอยู่มันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราเปิดเช่นความรู้สึก อาดทึบตื้อไม่โปรไม่โลภไม่เบาสบายมีอาการร้อนบุบบวบบวบมีอาการง่วงซจงมีการทึบตื้อแน่นต่างๆแบบนี้มีอาการเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมารมมันมีย่อมมีอ ย, อยู่เราก็ทําเหมือนกันเหมือนกับรูปเสียงกิดลดสัมผัสเหมือนกั น, ร เ, ก เ, น, กนเราก็ไม่ตามใจคือตามใจคือพยายามหนีห่างออกจากอาการนั้นหรือไม่พยายามเข้าไปกดข่มบังคับจัด ก, การอย่างไรให้อาการนั้นหายไป เราก็ดูรู้เห็นอาการเหล่านั้นอยู่เฉยๆจิตมันก็จะดิ้นรนเกี่ยวกับธรรมอารมณ์นั้นคืออาการเหล่านั้นที่รับรู้ได้ทางใจเราก็ปดทนที่จะดูรู้เห็นใจเราเนี่ยที่มีที่ไปมีปลงแต่งอย่างไรต่อใจนั้นอยากจะดิดน้นรนอยากจะปักสายอยากให้อาการทำหนายไปมันไม่หายไปชักหงิดชักคลัง่งคานชักโมโหชักมีอารมณ์เราก็ดูใจเรา ดูใจเราเรจะตามใจพ้ตามใจคืออะไรขอมันงดกีนออกมากเข้าเราก็ตามใจเราก็บ่นออกมานี่อย่างอย่างเบาๆนั่บ่นออกมาอย่างหนักๆก็คือจีโปรจไฟโวยวายออกมาเลยนี่เรียกว่าตามใจตามใจก็จบลงที่กิเลสทุกครั้งเราก็ไม่ตามใจทั้งไม่บ่นปรงความปรุงความปรุงความบอกว่าไม่บ่นออกมาแล้วก็ไม่ตามใจโวยวายจีโพรจไฟออกมา ตำหนินั้นตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้มามาโทษคนนั้นโทษคนนี้ทําให้ตัวเองบุ่มบึ้มทำให้ตัวเอง Greek, เกิดอารมณ์ทำให้ตัวเองเกิดทำมาลขึ้นมากระทบใจก็ไม่โทษใครไม่โทษอะไรทั้งสิ้นก็คือไม่ตามใจพระโทษก็ก็ตามใจไม่โทษใครไม่โทษสิ่งใดทั้งสิ้นถ้าไม่ตำหนิตัวเองและไม่ตำหนิผู้ใดก็อดทนที่จะดูรู้เห็นอาการนั้นอยู่เฉยทนที่จะดูรู้เห็นจิตที่มันกลมแปลงใหญ่ก็ จัการอาการนั้นมันหายไปจากใจถ้าเรื่องมุ่งมิตมันไม่หายสักเกิดโทนที่จะดูดูดูดูดูกูมันดูใจเราอ่ะที่เป็นมีปัญหาต่ออาการเหล่านั้นดูใจเราที่มันมีปัญหาต่ออาการเหล่านั้นนะไม่ใช่ไปดูอาการเมื่อกี้เนี่ยละครโทรทัศน์แต่จันทร์เล่นอยู่เราไม่ใช่ไปดูดูไปยืนดูละครโทรทัศน์แต่เราดูใจเราที่มันอยากเข้าไปดูละครโทรทัศน์เสียงเด็กเล่นกันดังเราไม่ใช่ไปดูเสียงเด็กเล่น ไปฟังเสียงเด็กเล่นเราดูใจเราที่มีปัญหาต่อเสียงเสียงเด็กเกิดอาการอะไรมันแน่นอึดอัดตื้อๆไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายหรือมันโปร่งโล่งเบาสบายมันว่างเวิร์กว่างไปหมดมันมีอาการสว่างสงบนิ่งดีมากอะไรก็ตามมันเกิดมาทั้งถูกใจไม่สะกานทุกชนิดที่ถูกใจไม่ถูกใจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นอารมณ์ต่างๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วอะไรก็ตามที่เป็นเกิดขึ้นมาคือถ้ามันถูกใจเราเราก็ว่าดีถ้าไม่ถูกใจเราเราก็ว่าไม่ดี คือมันดีในกับผูกใจเราถ้ามันไม si ่ถูกใจเราก็คือไม่ดีมันดีของเราแา่จะไม่ดีของคนอื่นเพราะมันถูกใจเราเราคิดว่าด네ีถ้าไม่ถ mm ูกใจเราเราก็ว่าไม่ดีอาการเราใดก็ตามพุชนิดฐ์ทำารมณ์พุชนิดถ้ามันถูกใจเราเราก็ว่าดีถ้ามันไม่ถูกใจเราเราก็ว่าไม่ดีถ้ามันถูกใจเราเราก็ว่าดีดีเราประชอบไม่ดีเราก็ชังเราก็ดูใจเราที่มันชอบที่มันชังอาการเหล่านั้นที่มันปุ่งแต่ง เขาไม่ชอบเพราะก็ดิลนผักไสยอยากหนีอยากกดอยากขมอยากมาคับอากจัดการได้มันหายไปเราก็ดูมันกดทนดูมันไม่ใช่ว่าพยายามทํำให้มันหายไปแต่ดูใจที่มีไปมีต่อปไปมีปัญหาต่ออาการเหล่านั้นพ่อยๆดูใจไปจนกระทั่งใจเนี่ยหมดปัญหาต่ออาการเหล่านั้นแม้แต่อาการเหล่านั้นเขามีอยู่แต่ก็มีอยู่อย่างนั้นเอง ไม่มีความหมายไม่มีที่ผลต่อใจก็จะเหมือนกับละครโทรทัศน์แดกจังคเหมือนกับเสียงเด็กทั้งหลายมีอยู่แต่ไม่มีความหมายต่อใจอาการเหล่านั้นมีอยู่นะแต่ไม่มีที่ผลไม่มีความหมายต่อใจต่อไปเขาก็ไม่มีความหมายไม่มีที่ผลต่อใจไม่สามารถทำให้ใจเจ็บทุกได้ต่อไปทุกอาการดังนั้นอาการทั้งหลายธรรมมทั้งหลายไม่ใช่มีมีแต่เขามีอยู่แต่ใจเนี่ยหมดปัญหาต่ออาการเหล่านั้น ไม่เข้าไปปรุงแต่งยุ่งวุ่หวายกับอนั้นทั้งไม่ตามใจที่โวยวายขึ้นมาทําไม่พยายามติ้งอารมณ์หรือว่าทาอารมณ์ใดที่มันถูกใจโปรง่โรงโล่เบาสบายว่างๆแล้วพยายามประคับประคองประคองไว้พยายามกลัววมันหายไปอย่างนี้เรียกว่าตามใจ หรือว่าทํามันไม่ถูกใจไม่ชอบใจอ า, าการเหล่านั้นไม่ถูกใจไม่ชอบใจเราก็พยายามวิ่งลนงูหงิดลังคาเนี่อยากให้มันหายไปที้ไม่หายก็งูหงิดบนบุมบามบุมบามตีโรีฟวัยวัยแก่อย่างนู้นปรับอย่างนี้ปรับอย่างนี้ทําอย่างงู้นทําอย่างนี้คว้าจุดตับจุดจับจุดับให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยใหอาจารย์ช่วยก็อาจารย์หน่อ ย, อยอย่างนี้เรียกว่าตามใจเราก็จะไม่คนจับทุกข์ได้เราก็เห็นใจเราที่มันมีปัญหาต่ออ า, าการเหล่านั้น ทั้งไม่พยายามประคองไว้แต่ก็ประคองไว้ทั้งไม่พยายามที่หลนผักใสดูใจเราที่มันดิน้นที่มันเหน็ดที่มันรำคานเราไม่แก้ไขเลยที่จริรู้สึกว่ามันมันมันคนกินมันรำคาญมันทนไม่ไหวก็สมไม่ไหวก็พุโทโธพุทโธไว้พุโทโธพุธโทโธพุทโธดูอาการเหล่านั้นไว้ดูปฏิกยาของจิตของใจนะั้นดูอาการเหล่านั้นจนกระทั่งอาการเหล่านั้นหมดกิทธิพลต่อใจคือกิตที่ปุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจอาการเหล่านั้น หมดดับไปเมื่อจิที่ปรุงแต่งความพอใจความไม่พอใจความอยากอย่างไรต่ออาการเหล่านั้นดับไปอยากทีนหล่ลนผักไสอยากที่จะประคับประคองไว้ต่อเป็าานอาการที่ถูกใจก็อยากจะประคับประคองไว้เป็นอาการที่ไม่ถูกใจก็อยากหล่นผักใสความอยากที่จะประคับประคองไว้หรือว่าอยากหล่ลนผักไส ต, ต่างๆหรือความพอใจไม่พอใจคือจิตที่ปรุงแต่งเหล่านั้นดับไปจากใจเราต่อหน้าต่อตา อาการเหล่านั้นคงมีอยู่อย่างนั้นจะไม่มีความหมายต่อใจทุกอาการหมดความหมายต่อใจไปก็เียบเหมือนกับว่าโทรทัศน์แม้จะเปิดอยู่นานเท่าใดละครจะเปลี่ยนเรื่องไปเปลี่ยนภาพไปก็จะเปลี่ยนภาพไปกี่ภาพเปลี่ยนไปกี่ตอนก็ไม่มีความหมายต่อใจต่อไปเสียงเด็กเล่นจะมากมายเพียงใดก็ไม่มีความหมายต่อใจหมดอิทธิพลต่อใจไปอาการทั้งหลาย ในใจทั้งหลายทั้งหมดเป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดที่สัมผัสได้ในใจก็หมดอิทธิพลต่อใจมีอยู่แต่ไม่มีความหมายต่อใจท่านฝึกอย่างนี้ท่านก็ฝึกจิตเห็นจิตเรียกว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคคือการปฏิบททัติธรรมให้ถึงซึ่งความตัดทุกข์ถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้ท่านก็จะไปฝึกอย่างอื่นฝึกตามใจคือถ้าชอบใจท่านก็ตามใจไม่ชอบใจท่านก็ตามใจพอชอบใจท่านก็จะตามใจ ไปจบที่ชอบใจไปซื้อไปได้ไปเอาไปกินไปเสพไปสัมผัสตามใจพัญญาประเข้ประคองทรงไว้รักษาวไว้นี่คือตามใจในสิ่งที่ชอบใจถ้าไม่ชอบใจท่านก็พยายามจะหนีไปหนีจากสิ่งเหล่านั้นออกไปหรือพยายามกำจัดสิ่งนั้นออกคนออกไปเรียกว่าอย่างนี้ตามใจในทางที่ไม่ชอบใจคือกำจัดสิ่งนั้นออกไปหรือกำจัดตัวท่านออกไปพยายามาใจออกห่างจากสิ่งนั้นพยายามกำจัดสิ่งนั้นออกไปจากใจอย่างนี้เรียกว่าตามใจในทางที่ไม่ชอบใจ แต่ก็ดูจิตของท่านที่มีปัญหาต่อสิ่งนั้นเจนท่านจิตท่านหมดปัญหาต่อสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาต่อใจก็สรุปลงได้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทั้งหลายเขาไม่ได้ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ใจเราที่เข้าไปปรุงแต่งยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นความพอใจความไม่พอใจเป็นความอยากอยากใดๆต่อสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละที่ทาให้ใจเราเป็นทุกข์ เมื่อใจเราสิ้นความคงแต่งเป็นความยึดถือเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นความอยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นความคงแต่งดับไปลูกรดกลิ่นเทียงผดชะพะหรือทำอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีที่ผลต่อใจอีกต่อไปนั่นแหละใจมันก็อยู่ของมันอย่างธรรมชาติโดยที่ไม่มีสิ่งใดมามีที่ผลต่อใจต่อไปเลย ท่านต้องฝึกอย่างนี้ฝึกจิตเห็นจิตถ้าท่านไม่ฝึกจิตเห็นจิตไว้ท่านตามใจทุกเรื่องท่านไม่พอใจไม่พอใจท่านก็จะไม่พ้นทุกข์อะไรท่านหนีมันได้ครั้งนี้ดูมันได้ครั้งนี้หลบหนีได้ครั้งนี้แต่ท่านจะหลบหนีไปได้สักกี่ครั้งถ้าท่านปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ตลอดไปท่านก็จิตเห็นจิตเห็นดูอยู่ที่ใจสติดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจมองอยู่ที่ใจเพ่งอยู่ที่ใจกําหนดอยู่ที่ใจพิจารณาอยู่ที่ใจก็คือ ดูที่ใจเราอย่าไปดูที่ลูกรถกินเสียงพลัตพาทำารมณ์ที่มากระทบกับตาวูจมูกลิ้นกายใจดูที่ใจเราหรือเอ่าสติรู้อยู่ใจดูอยู่ใจเพ่องอยู่ใจเห็นอยู่ที่ใจกําหนดอยู่ที่ใจพิจารณานที่ใจนี่คือหลวงปู่ทาของหลวงปู่ทาจารุธรร ม, มงส่วนหลวงปู่ ด, ดุลท่านใช้คําว่ากิจเห็นจิตส่วนของหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านว่าอ่า ให้ใจมารู้จิตไว้ให้ใจมารู้จิตที่ปรุงแต่งกันไว้แต่ก็คืออันเดียวกันความหมายนั้นคืออันเดียวกันแต่เพียงว่าภาษาสมมุติมันใช้ต่างกัน่อจริงรจิตวิจัยหรือว่าวิญญาณหรือมโนคืออันเดียวกันเป็นเป็นขณะดจิตแต่ละขณะดจิตแต่เพื่อเอามาอธิบายให้เกิดความเข้าใจจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ ไ, ด, ได้ถ้าไม่สามารถไม่จําเป็นต้องรู้ชื่อแต่ถ้าให้รู้ดูใจของท่านก็แล้วกันแต่ละขณะที่ท่านกระทบดูที่ใจของท่านอย่าไปดูสิ่งที่กระทบ อย่าไปดูที่รูปรถกิน่นเสียงโฟคช็อปป้าคือสิ่งที่มากระทบทางกายหรือว่าธรรมอารมณ์สิ่งที่มากระทบทางใจอย่าไปดูสิ่งที่มากระทบดูใจของท่านเมื่อกระทบกับสิ่งเหล่านั้นแัวใจของท่านเป็นอย่างไรดูที่ใจของท่านว่ามันปุุงแต่งอย่างไรจนความปุงแต่งจิตที่ปรงแต่งหรือใจที่ปุงแต่ ง, ง, ต ง, ง, ตงมันดับไป สิ่งเหล่านั้นทั้งหลายรูกรสกลิ่นเตียมสัมผัสทั้งหลายทำอารมณ์ทั้งหลายก็จะหมดกิจพลความหมายต่อใจของท่านในโลกนี้ทั้งหลายหมดกิจพลต่อใจของท่านแต่ทั้งหมดนั่นแหละจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอยู่อย่างนี้ต้องฝึกที่จิตเป็นจิตหรือตัสติรู้ยุยใจดูจิตใจฝึกอย่างนี้เลื่อยไปทิว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจไ ด, ไ, ดได้ชัดเจนขึ้นมิค่อสต้องไปตรงนี้ไหมครับ